ขอความสุขความเจริญจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุกมกาลังนําเสนอประวัติของพระสารีบุตรตอนนี้ก็พูดถึงธรรมกถาที่พระเทร่ากล่าวไว้ในโอกาสต่างๆท่านก็รวบรวมไว้ตามลำดับ ก, ก่อนได้พูดมาถึงข้อที่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งข้อที่หนึ่งพันสองท่านบอกว่าเราไม่ยินดีในความตายทั้งไม่เพลิดเพลินในความเป็นอยู่คือความตายก็ไม่ยินดีแต่ก็ไม่ยินราย หมายความว่าจะตายเมื่อไรก็คือตายในความเป็นอยู่นั้นก็ไม่ได้เพลิดเพลินชื่นชมอะไรกับชีวิตเพราะว่ามันไม่มีอุปาทานเป็นเหตุยุ ต, ตยิในความเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ก็รอคอยความตายอยู่เท่านั้น จะเกิดเมื่อไรก็ได้เหมือนลูกจ้างรอคอยให้หมดเวลาทำงานก็จบกันคือว่าการนิพพานของรา น, นั้นก็อันับได้สังสารวัฏท่านก็ต้องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเป็นเวลา อเกันเก น, นเมื่อถึงการเวลาที่จะนิพพานไปก็ถือว่าจบสิ้นกันไม่มีเรื่องสังสารวัฏอะไรที่รออยู่ข้างหน้าพรนท่านจึงไม่ได้ไม่ได้ยินดีในความตายไม่เพลิดเพลินในความเป็นอยู่แต่ก็รอคอย ก็จะตายเมื่อไหรหนึ่งก็รับจ้างรอคอยให้เสร็จงานทำงานให้เสร็จงานแล้วก็จบสิ์ประการต่อไปท่านบอกว่าความตายนี้มีแน่นอนในสองคราวคือในเวลาแก่เท่าหรือในเวลาที่เป็นหนุ่มสาว ที่จะไม่ตายเลยย่อมไม่มีเรืะนั้นท่านทั้งหลายจงปฏิบัติชอบเถอะขอจงอย่าปฏิบัติผิดพินาศไปเลยขณะเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียนี่ก็เป็นการแสดงว่าความตายนั้นมันก็มีอยู่ช่วงได้ช่วงหนึ่งนั่นแหละก็ในชีวิต คือในช่วงที่จากเด็กถึงความกลางคนหรือว่าเลยกลางคนไปแล้วแต่ว่าที่จริงมันก็เกิดอยู่ทุกขณะเป็นแนวคณิกะมรณะปัญหาสำคัญว่าทำอย่างไรในขณะที่มีชีวิต เ, เรื่องไม่ตายแล้วเรื่องพูดกัน วันนขณะที่มีชีวิตก็พยายามทำความดีทมความดีมากๆอย่าได้ไปสร้างเหตุให้เกิดความพินาศคือเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าสร้างเหตุให้เกิดความพินาศความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วมันจะประสบความเดือดร้อนในการต่อไปด้วย คนนี้แสดงเห็นชัดว่าเป็นการพูดกับชาวบ้านหรือว่าพิษุสามเณรที่ยังเป็นผู้ถูกชนอยู่และเพื่อจะครองตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทท่านบอกว่าขณะแต่ละขณะอย่าผ่านเลยไปเปล่าเปล่าอย่าผ่านเลยท่านทั้งหลายไป เพราะว่าคนที่ปล่อยให้ขณะผ่านเลยไปหรือจะต้องประสบกับความเศร้าโศกเสียใจในการไถลก็เรียกว่าอย่าหายใจทิ้งหายใจคว่างไปจบๆอย่าไม่มีอะไรก็คิดดีเอาไว้อย่าไม่มีโอกาสจะทำดีจะพูดดีก็คิดดีเอาไว้ รักษาคุณภาพจิตเอาไว้ให้มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันปรากฏแล้วก็รู้เท่าทันกับมันไม่ได้ถูกกระแสของอารมณ์โลกเนี่ยบีบคั้นเบียดเบียนหรือฉุดข้าไปสู่อำนาจของมันคือตามปกติแล้ว ชีวิตของคนในโลกนั้นเราจะเห็นว่ามันก็อยู่กับปัญหาต่างๆรอบตัวปัญหาที่เราสร้างขึ้นเองบ้างปัญหาที่คนอื่นสร้างให้บ้างปัญหาที่เกี่ยวกับธรรมชาติบ้างปัญหาที่เกี่ยวกับโรคภัยค่าเจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราบ้างแต่ละอย่างมันพร้อมที่จะให้เกิดความตาย อย่างในปัจจุบันเนี้เราเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างกรณีของแผ่นดินไหวที่เหตุติดก็ดีแผ่นดินไหวอเออไม่ใช่คือคลื่นสึนามิก็ดีหรือภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นในที่ทั้งหลายแล้วภายในลักษณะ น, น, นี้เราจะเห็นว่าเวลาบางทีมนุษย์มังก็ททำขึ้น เป็นบาการทิ้งระเบิดปรมาณูสองคราวคนที่ตายไปนั้นเป็นแสนแสนคนที่บาดเจ็บพิการก็เป็นแสนแสนโดยขณะเวลาเพียงปป๊บเดียวนั้นเองเป็นดินไห้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคลื่นในมหาสมุทรก็มีลักษณะอย่างนั้น คือสรุและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจางดินน้ำลมไฟอากาศในขณะที่เขาหล่อเลี้ยงดูแลรักษาเราอยู่ทุกขณะแต่วันใดที่เขาเกิดเป็นพิษขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทำอันตรายได้ทั้งนั้นแล้วก็ตายได้มากๆทั้งนั้นอย่างวาตภัยก็รุนแรงมาก อากาศเกิดเป็นพิษขึ้นมาในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกคนก็ตายกันได้เยอะๆนั้นแสดงว่าความไม่เที่ยงแท้ในชีวิตโดยเฉพาะในยุคนี้เห็นได้ชัดเจนมากมันพร้อมจะเป็นอันตรายได้ทุกเรื่องนั่งรถก็เสี่ยงนั่งเครื่องบินก็เสี่ยงนั่งรถไฟก็เสี่ยงนั่งเรือก็เสี่ยง เดินก็เสียงแล้วก็เสียงจากหลายๆเรื่องด้วยไม่ใช่เสียงจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่แล้วครองชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทไม่ปลอนเบไม่ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไ ป, ปเปล่าๆหรือแก้ไ ป, ปเปล่าๆ อะไรงที่โบราณท่านพูดว่าแก่กะโหลกกะลาคือแก่ไปเปล่าๆไม่ได้เพิ่มสาระแก่นสารในแก่ชีวิตมันก็กลายเป็นความศูนย์เปล่าของชีวิตกัรที่ทรงแสดงเอาไว้ในพระเตกรัลตกถาว่า ควรรีบเร่งทำความเพียนเสียในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้พราเราทั้งหลายไม่สามารถตัดเพียนต่อรองขอร้องจากมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นได้เลยนี่ก็เป็นการสะท้อนความจริงของชีวิ ต, ตความจริงก็ชีวิตมันก็คืออย่างนี้ สำหรับสามัญชนทั่วไปยิ่งต้องไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นและต่อไปยังมีปัญหาอะไรโลกร้อนปัญหาอะไรอย่างอีกตามมาเยอะเลยแม้แต่พวกยาพวกเคมีทั้งหลายพวกสารเคมีทั้งหลายมันก็อาจจะมีคุณ น, นันนันแต่ก็บางทีก็มีโทษมหา อันนี้เราก็ดิ้นรนไปสวยหาพวกสมุนไพรกันก็ชักจะยุ่งเพราะว่าไม่รู้ลึกซึ้งพอแล้วก็ทำไปด้วยความโลภแล้วคนเราที่กลัวตายอยากมีสุขภาพพราณนาะมัยดีก็สวยหากันมาอย่าลองสังเกตว่า เวลาญาติโยมมาคุยด้วยเนี่ยมาเยิ่ยมมาคุยจะมีการเสน อ, อยาเสนอแนะเรื่องอยาเนี่ยเรียกว่าเกือบทุกรายเลยบอกโยมมันกอดว่ายาที่เสนอนะถ้าหากว่ารับมาแล้วก็ฉันทุกอย่างเนี่ยคงตายไปนานแล้วเพราะเสนอกันทุกคนแล้วก็สุดยอดทุกคน อย่างอย่างเนี้ยอย่างยกตัวอย่างว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันมันยังไม่ปรากฏว่าหายแต่ก็มีคนมีเสยรนอ ย, ยาเด็ดให้ฟังเรื่อยๆเลยยาจีนบ้างยาส ม, มุนไพรบ้างยาผีบอกยาอะไระอะไรต่างๆมากมายเลยเพื่อทำให้ชีวิตเปนเสี่ยงขึ้น ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องทั้งหลายไม่ได้ผีแผาม์ตัดสินใจเชื่อไปโดยการปัญญาเป็นเครื่องมือพิจารณาเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเอามากๆทีเดียว่เรียกว่าจำเป็นมากยิ่งขึ้นข้อต่อไปข้อพันสี่ท่านบอกว่าท่านทั้งหลายจงคุ้มครองตน เหมือนอย่างคนคุ้มครองเมืองปลายแดนทั้งภายในและภายนอกเช่นั้นคือเทียบเป็นเมืองปลายแดนเนี่ยเราจะเห็นว่าจะถูกบุกรุกเมื่อไรก็ได้วาชาดแดนมาก็ติกัอีกประเทศหนึ่งจะลุกล้ำเข้ามาตอนไหนก็ได้แตะ่จะมาในรูปอัจฉ ก, กรรมจะมาในรูปของการ แสวงหาผลประโยชน์ต่างๆจะมาในรูปของการตัดไม้ทําลายป่าจะมาในรูปของการบุกรุ ก, กมูลเมามาในรูปของการค้าของเถื่อนอะไร ต, ต่างๆนี่มันเยอะเยอะมากๆเลยคนอยู่ที่เมืองประแดนมันก็ต้องไม่มีคนหลับจะต้องเฝ้าระมัดระวังแต่ว่าประแดนก็ประแดนชายแดนเนี่ยมันยาวเหลือเกิน โลกนี่มันสูญเสียค่าใช้ จ, จ่ายในการรักษาชายแดนทุกส่วนของโลกและทุกประเทศของโลกมากมายเหลือเกินตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตนั้นมันมีภัยอันตรายต่างๆแล้วในหมู่มนุษย์เองก็เบียดเบียนกันเหลือเกิน ต่างชาติกับต่างชาติชาติเดียวกันพี่น้องเดียวพี่น้องด้วยกันนามสกุลเดียวกันอะไรแต่อะไรต่างๆมันบิดเบี้ยงกันได้ทั้งนั้นแต่ยังนึกว่าเาก็ชีวิตเราในรูคล้ายๆกับสัตว์ในทะเลทราย ห, หรือแถวแอฟริกาแต่เราดูแล้วแกก็ตื่นตัวอยู่ตลอดระแวงภัยอยู่ตลอดเรียกว่าเป็นผู้สะดุ้งอยู่ตลอด ส่วนใหญ่ก็จะกลัวภัยอันตรายจากธรรมชาติกับจากข้างนอกกับสัตว์อื่นที่มองตัวเองเป็นอาหารในการที่มองสัตว์อื่นเป็นอาหารเนี่ยมันก็มาถึงมนุษย์เราเราจะเห็นว่าเราก็มองสัตว์อื่นเป็นอาหารสัตว์ดิบฉานจํานวนมหาศาลที่มนุษย์มองเป็นอาหาร แม้แต่สุนัขซึ่งเป็นเพื่อนบานอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมนุษย์แล้วเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเราก็ฆ่าเขาทำลายเขาบางแห่งเอาไปกินโดยท้่มไปพวกโคพวกกระบือพวกสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยจริงๆก็มาก็อยู่อย่างช่วยเหลือกึศกัน แ, แต่มนุษย์ก็อย่าง วันนี้คืนดีก็ถือเป็นอาหารไปเลยเมื่ที่แขกมาบ้านแขกมากันหลายคนในเทศกาลต่างๆจะเทศกาลปีใหม่เป็ น, นต้นต่างจังหวัดเนี่ยเขาค่าโค ข, ข้าหมูกันเดือดเลยก็โคที่เลี้ยงมาเองหมูที่เลี้ยงมาเองแล้วโคที่ช่วยไถนาที่ทำไปะ ก็แสดงให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันโหดร้ายรุนแรงเลยอะๆเมือนก็อยู่เมืองปลายแดนมันมีอันตรายที่รุนแรงมากๆแล้วก็รักษากันอยู่อย่างนี้แหละถ้าเมื่อไรจะหยุดละตายนั่นแหละแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้องคุ้มครองถึงใจเรา เราไม่คุ้มครองใจเราแม้แต่คิดมากจังเดียวนี่ก็ยุ่งแล้วถึงคนคิดมากมากเนี่ยก็ยุ่งอ่ะดังนั้นเป็นการสอนในครองชีวิตอย่างตื่นตัวแล้วก็มีสติในการครองชีวิตในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆแล้วในการคุ้มครองรักษาตัวเอง แนวคุ้มครองที่ถือว่าเต็มมัตราเนี่ยคืออันตรายที่ยังไม่เกิดต้องพยายามป้องกันแล้วป้องกันในลักษณะตื่นตัวคือติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องเหล่านั้นอันตรายที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลมอย่าให้เกิดอาการลุกลามเพราะจะยากต่อการแก้ไขอยากยากต่อการขจัดปัดเป่า อะไรที่ส่งเสริมไม่เกิดความมั่นคงแข็งแรงอยู่รอดปลอดภัยได้ก็พยายามสร้างขึ้นและสิ่งดีงามต่างๆเนี่ยถ้าเราได้สร้างขึ้นมันก็ช่วยในการเพิ่มพูนความแข็งแรงความแข็งแรงขึ้น ยัแนวสมัยปัจจุบันเนี่ลองสังเกตว่าบ้านบ้านช่องทั้งหลายของชาวบ้านเนี่ยตลอดถึงวัดวาารามต่างๆแม้แต่วัดป่านะแม้แต่วัดป่าเวลาเนี่ยกำแพงแข็งแรงนะครับและบางทีวัดท่นใหญ่อ่ะที่เป็นพันพันไร่สร้างเป็นกำแพงกั้นไว้นอนสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณกำแพง ก็ปลอดภัยแต่แก่ก็ขาดอิสระภาพที่จะไปไหนมาไหนได้ไกลๆในขณนะเดียวกันตัวเองก็ต้องระ บ, บัดระวังรักษาความปลอดภัยจากสัตว์เหล่านั้นนอกจากไปช่วยรักษาความปลอดภัยแก่สัตว์แล้วก็ต้องรักษาความปลอดภัยแก่ตัวเองซี่จะเกิดขึ้นจากสัตว์ที่ตัวเองคุ้มครองนั่นแหละแล้วก็เป็นภาระในการดูแล วิตกังวลพื้นที่เป็นพันได้เนี่ยเดินสวดก็ยุ่งมากกันนะนี่ก็คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าไอ้ข้างนอกมันก็มีอันตรายเอาข้างในเองก็มีอันตรายแม้จะอยู่ในกำแพงก็เถอะปีนิษการอยู่ร่วมกันถ้าหากว่า อย่างโบราณท่านสอนนี่ว่าจะป้องกันอย่างไรจะใช้ไม้อะไรเป็นเป็นรั้วในการป้องกันบ้านเรือนท่านก็พูดพูดไปคิดว่าต้องอาศัยไม้ตรีไม้ตรีก็คือไม้ตรีนั่นแหละ แต่เมื่อพูดถึงไม้หรือท่านก็เรียกว่าไมตรีหมายความต้องสร้างความเป็นมิตรเมตรีให้เกิดขึ้นระหว่างเรากับบุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเพื่อนบ้านไกลเรือนเคียงทั้งหลายนี้ต้องเป็นมิตรกันจนถึงก็เกิดเอื้ออาทรหววงใหญ่ดูแลกันและกันเพื่อนทิ้งบ้านเอาไว้เราก็ช่วยดูแล ให้บ้านเพื่อนเกิดความปลอดภัยเรามาอยู่ก็ฝากบ้านแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ช่วยดูแลให้ก็เกิดความปลอดภัยแต่ว่าการจะเป็นเช่นนี้ได้ที่จริงมันไม่ใช่ง่ายนะคือสื่อสัมพันธ์ทางใจระหว่างคนกับคนเนี่เป็นเรื่องใหญ่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมะไว้หมวดหนึ่งก็เป็นเรื่องกายวาจานั่นแหละ ประการแรกก็คือทานการให้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือระดับสงเคราะห์อนุเคราะห์การแสดงความมีดาใจต่อกันเจคโนโลยีของรถแปลกก็ก็แจกจ่ายเพื่อนไม่ได้ของอะไรมาไปไหนมาก็ซื้อข อ, มองมาฝากเพื่อนเมื่อถึงจุดหนึ่งเพื่อนก็ แสดงปฏิกิริยาตอบในทางดีหรือว่าบางทีเพื่อนเดือดระสบความเดือดร้อนเราอยู่ในวิสัยที่พอจะช่วยได้ก็ช่วยช่วยเท่าที่ช่วยได้เป็นการแสดงความมีน้ำใจแล้วก็การพูดเนี่เรื่องใหญ่เหมือนกัน วาจาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพระเจ้างสงแสดงวาจาเช่นเดียวกับ น, น้ใจเพราะน้ำใจมันต้องเช่นเดียวกับวาจาคือปอากยังไงใจก็ต้องคิดอย่างนั้นทีน ใ, นใจคิดบางอย่างนี่ไม่ใช่พูดได้คิดได้แต่พูดไม่ได้ก็ได้หลักการในการพูดมันก็ต้องหนึ่งเรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องจริงไหม เรื่องดีไหมเป็นประโยชน์ไหมถ้าจริงดีมีประโยชน์ก็พูดได้แต่ถ้ามันบกพร่องไปสักอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่เกิดประโยชน์เนี่ยก็ไม่ควรจะพูดมันก็ประหยัดถ้อยคำอะไรไปได้เยอะเพราะฉะนัวาจาเนี่ยมัน แต่การยกย่องว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราปากเป็นเอกมันเสกหมุดในคนเชื่อฉลาดเดือว่าจารปชาชานและกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญเป็นักฐานถือควรพลนลเกินเพราะว่าจามันจะเป็นสื่อที่แสดงความมีน้ำใจระหว่างเรากับคนอื่น สร้างความประทับใจสร้างความสบายใจให้แก่กันและกันสร้างความเป็นมิตรระวังกันและกันประการต่อไปก็คือทําตนให้เป็นประโยชน์อย่างน้อยเนี่ยอย่าล้างผลประโยชน์ของบุคคลอื่นแต่ว่าอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนั้นก็ควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำตนให้เป็นประโยชน์กิจกรรมบางอย่างมันเป็นกิจกรรมสาธารณะที่จะต้องทําร่วมกันเราก็ทํากิจกรรมเหล่านั้นร่วมกันโดยไม่ได้คํานึงว่าเราจะได้อะไรแต่เราก็ได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วคือไม่ได้คิดเป็นเงินเป็นทองอย่างในสมัยนี้มันคิดเป็นเงินเป็นทองมากเกินไปกองเงินเข้าไปแทรกอยู่ทุกแห่ง แม้ต่กิจกรรมของวัดเนี่ยครึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาทำมาเข้าไปช่วยวัดแต่ต่างจังหวัดแต่ก่อนเนี่ยไม่มีการคิดเรื่องเงินเรื่องทองวัดมีกิจการงานอะไรก็เข้ามาช่วยแล้วก็ขนของตัวเองมาทำด้วยเจ็วัดมีงานเนี่ยต่างคนต่างก็มาตั้งโรงครัวขน ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารใครมีอะไรก็เอามาเขาเรียกว่าข้าวโรงครัวแล้วก็ช่วยกันปรุงช่วยกันทำช่วยกันเลี้ยงดูช่วยกันทั้งกระบวนแหละจนถึงการล้างภาชนะเก็บเราทำด้วยกันแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นธรรมเนียมใหม่ที่ต้องจ่ายสตางค์ครับ จ่ายต่ตางเขาคล้ายๆกับเบีย้ยเลี้ยงจเจ้าหน้าที่ของสานักพุทธเจ่านี้ถึงกรมการศาสนาหรือเจ้าหน้าที่สานักพระราชวังมาช่วยงานที่วัดเนี่ยเขาต้องจ่ายทั้งหมดอ่ะแต่นั้นก็แน่นอนเขาเป็นข้าราชการเขามีต้องใช้จ่ายค่าผ่าณะอะไรต่อะไรต้องกินต้องอยู่ แล้วก็ต้องให้รางวัลก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลไปเวลานี้มันเป็นปกติไปแล้วแต่ความสัมพันธ์ทางใจเนี่ยมันจะจางเพราะไม่รู้สึกถึงอุปกรณคุณของกันและกันคนที่มาช่วยเราก็คือเราจ้างเข้ามาเรจ่ายค่าจ้างก็ จ, งจบเป็นสื่อสัมพันธ์ทางใจเนี่ยมันไม่เกิดมันทีก็เรามาช่วย ถ้ช่วยแล้วก็กลับเลยก็ที่เคยพบเนี่ยบางทีต่างจังหวัดเนี่ยเขาพช่วยแล้วก็ไปกินข้าวบ้านตัวบรรดาบ้านจะเลี้ยงดูบางทีก็เกรงใจก็รับประทานแตน่อยเพื่อรักษานําใจกันเถอะทั้งหมดเนี่ยมันมันก็คือทำตนให้เป็นประโยชน์ระหวังกันอะไรกัน การวางตัวเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับคนทั้งหลายเนี่ยเพราะถ้าหากว่าเรายังไม่รู้สึกอย่างนั้นเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันการจะสงเคราะห์การจะหนูเคราะห์การจะพูดจาการด้วยวิจีที่สุดจริตการจะทำตนให้เป็นประโยชน์แก่กันมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นพวกกันต้องรู้สึกเป็นพวกเดียวกันถ้าเป็นเราเป็นเขาที่ไม่แรงก็พอไหวแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นเรากับพวกเราแล้วจะสามารถปฏิบัติภารกิจตรงนี้ไปได้ตั้งแต่เป็นคํานกรนไว้ว่า โอปอล์มอารีบัจีไพร์ร์ส่งเคราะห์ประชา ช, ชนวางตนได้เหมาะสมวางตนเข้ากับเขาได้เอาตนเป็นตัวประสานเป็นตัวสมาน ร, ระหว่างเรากับเขาท่านบอกว่าขณะเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียพระผู้ที่ล่วงเลยขณะเวลาไปแล้วต้องยัดเยียด ต้องอ้อดยัดยีดเศร้าโศกอยู่ในนรกหมายความมาคนประมาทพูดง่ายคนประมาทประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคนั้นก็ปฏิเสธตายเยอะนะฮะตายกันไปเยอะเป็นยกตัวอย่างมะเร็งแต่ส่วนใหญ่มันพบระยะรองสุดท้ายหรือสุดท้าย แต่ที่จะพบเรื่องต้นมันก็ไม่ค่อยตรวจโรคกันไม่ค่อยตรวจสอบร่างกายไม่ค่อตรวจเช็คร่างกายกันอปกติท่านก็บอกว่าแกต้องมีการตรวจเช็คร่างกายปีหนึ่งอะไรสักหกเดือนต่อครั้งหรือว่าปีหนึ่งต่อครั้งอะไรต่ออะไรนี่แต่คนไทยเราก็ไม่นิยมทําราไม่นิยมทําพอมาถึงอาการโรคมันชัดเจนคิด ไปถึงหมอก็สุดกําลังไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วอยู่ในระยะสุดท้ายเมื่อสองปีที่แล้วนะฮะมีสักสก็มีศักเป็นน้องสะพายเขาหายหมดทั้งคู่อย่างชื่นชมกันาเออเก่งหายมาได้เนี่ยหายจากมะเร็งทั้งคู่แล่วก็ในขณะเดียวกันก็มีอาก็ตายไปเพราะมะเร็งระยะสุดท้าย คนหนึ่งเป็นมะเร็งในน้ำเหลืองคนหนึ่งเป็นมะเร็งในในตับไอ้นั้นก็มีสักเป็นลูกน้องเป็นน้องนี่ก็ยังอยู่อีกคนหนึ่งก็ไม่รู้ะระยะเวลาอะไรแหละแต่สรุปแล้วว่ามันแสดงชัดเจนว่าคนประมาทในเรื่องเหล่านี้ มันจะทำให้ประมาทในเรื่องการลาทุจริตการประพฤติสุจริตไปด้วยแล้วความเห็นในลักษณะปักใจฝังใจยึดมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เนี่ยก็จะทำให้จิตใจ น, นั้นหมกมุ่นในความคิดที่รุนแรงต้องการจะแก้แค้นโต้ตอบทำลายล้างกันะยอะไรต่างๆมันก็เครียด จิตใจมันก็เครียดเวลามันก็กลายเป็นถูกยึดกุมด้วยจิตที่เป็นอกุศลและตีต่างว่าเกิดปุปปัตตายขึ้นมาในขณะนั้นก็ไปอาจจะเยีดอยู่ในนรกผลความไม่ประมาทหลักก็คือไม่ประมาทในการละทุจริตการประพฤติทุจริตโดยละความเห็นผิดทําความเห็นของตนให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรม ไปได้อย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคนที่ปล่อยขณะเวลาบางทีที่พรสสะเจ้าทรงแสดงว่าจะเศร้าสูกเสียใจในการภายหลังประโยคเดียวกันนะฮะประโยคเดียวกันขณะอย่าได้ผ่านพ้นเธอทั้งหลายไปพระบุคคลที่ปล่อยขณะให้ผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าสูกเสียใจในการภายหลัง ก็เหมือนกันนั่นแหละคือทศร้าโศกในนรกแต่ว่าของพระสาริบุตรนั้นท่านชีไปเลยจะต้องแอาอาัดจัดเยียดอยู่ในนรกเรื่องนรกนั้นเชื่อดาเชื่อไวเนี่ยไม่มีผลเสียหายอะไรเลยเพราะนรกมันเป็นผลมาจากการทำความชั่ว ถ้าเราเชื่อว่ามีนรกเราก็กลัวต่อนรกแต่สิ่งที่เรากลัวคือเรากลัวความชั่วซึ่งเป็นเหตุได้เกิดในนรกก็ทําให้เกิดการเว้นชั่วเมื่อก่อนดูรายการโทรทัศน์เป็นาการธรรมะของวัดวัดหนึ่งเขาเขาเก่งนะฮะเทคโนโลยีเขาเก่งมากนะ คือก็สร้างขึ้นมาเป็นภา พ, พยนตร์เลยเป็นดูตอนเปรต ว, วัตถุนะฮะตอนเรื่องเปรตแล้วก็อธิบายอธิบายให้เห็นแต่ทีนี้มันคือนึกว่าพวกเหล่านี้มันต้องมีเสียงไปด้วยคือเสียงมันต้องช่วยด้วย ตีนี้ถ้าท่านอนธิบายนะอนธิบายเดียเรียบอธิบายเดียบเรียบแล้วก็ที่จริงก็ควรจะเท้าความแต่ละเปรตเนี่ยนะคุรจะเท้าความเพราะในเปนตตา ว, วัตถุนี้ท่านจะเท้าความเวลาพระ น, นุพระพระมุขลานะมากราบทุนถามพระพุทธเจ้าถึงไปเปรตที่พระองค์ที่ท่านไปพบมาเนี่ยพระเจ้าจะเท้าความหลังถึงเป็นเหตุให้เขาตายไปเตียนเป็นเปรต ก็เป็นวิธีการที่ดีตอนที่ดีแต่ยังนึกว่ า, าพูดกับเด็กๆ เ, เนี่ยมันทำยังไงให้เด็กเขาเชื่อได้เราะจะทำเป็นภาพยนตร์ไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็เพิ่งเห็นขึนนั้นยังยังยังรู้สึกชื่นชมเขาว่าเออเพราะว่าสังคมเรานี่ถ้ารั่วบาทอย่างเดียวนะฮะ กลัวบาปคือมันทางสองแพ่งเราไม่ต้องการจะไปทางซ้ายก็ไม่ต้องไปก็ไปทางขวาทางซ้ายเหมือนกระทางนรกนะฮะทางขวาเมือนกับทางสวรรค์เราก็ไปทางขวาก็าจบละก็ชื่อหัวเบนทางซ้ายไปโดยอัตนโนมัติาการดําเนินไปสู่กระแสของกุศลและธรรม ก็แน่นอนแหละตัวหลักก็ ง, ง่ายก็คือหลักของกุศลกบฏสิบนั่นเองที่พระเจ้าทรงแสดงว่าย่อมถูกนำไปประดิษฐานไว้ที่สวรรค์แต่ถ้าประพฤติไปตามแถวอกุศลก็จะถูกพักลงในนรกถึงใช้คําเป็นรูปธรรมนะฮะคือคือนำไปประดิษฐานไว้อะไรเป็นตัวนำล้วก็เรานั่นแหละ บุญที่เราทำน่นะนำเราไปปฏิสถานบนสวรรค์แต่ที่ผลักลงนรกใครผลักล่ะ ก, ก็เรานั่นแหละก็ผลักตัวเราเองไปลงในนรกมันคล้ายๆกับเราดื่มเหล้าแล้วเราเมาเองเราขับรถประมาทแล้วเรารเกิดปฏิเหตุเองแต่ความคิดอย่างนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องคิดง่ายๆธรรมดาธรรมดาแต่ส่วนใหญ่เรามักจะโยนลูกออกนอกคือไปโทษคนอื่นน่ย อย่ที่โบราณท่านบอกว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกลองนะตัวเองเป็นคนทำเหตุเองแล้วก็ไปโยนเหตุใส่แกคนอื่นโยนให้ใครต่อใครก็ไม่รู้โยนให้โจคให้เคราะห์ให้ดวงให้ดาวให้อะไรอสุริยคราดจันทคราดก็ว่ามันไปเรืยเยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเรายอมรับในกระบวนการของกรรมในกฎของกรรม แล้วก็มองย้อนหลังว่าเ อ, อไอลักษณะอย่างนี้เราเคยทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรก็จะสามารถเชื่อมโยงได้อาจจะไม่เป็นเหตุตรงแต่ว่าเหตุที่ให้เป็นเช่นนั้นก็มีลักษณะเดียวกับเหตุนั้นนะเพราะว่ากฎของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยไม่เป็นกฎที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ เป็นอาถานะคือเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งกระทำความชั่วแล้วตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะผลของการทำชั่วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นไปไม่ได้ซึ่งคนทำดีแล้วตายไปจะตกนรกเนี่ยเป็นอาถานะคือเป็นไปไม่ได้เลยจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้จะเป็นไปไม่ได้เลย แต่พอดีคนเราทํากรรมเยอะแล้วก็สลับซับซ้อนวันหนึ่งเราก็มีทั้งดีทั้งไม่ดี ท, ทั้งกรรทำตั้งกรรมชั่วทางกรรมดีเพราะงั้นในปัจจุบันเราเห็นว่าเออคนคนนี้ก็เป็นคนดีนะทำไมตายไปตกนรกทําไมตายไปตกนรกก็แสดงว่าเขาไปเพราะอากุศลของเขาที่เราไม่เห็น เดี๋ยวเขาได้ทำเขาก็เป็นไปตามตามกรรมที่เขาได้กระทำเอาไว้นี่ก็เป็นหลักเป็นหลักอย่างหนึ่งในการครองชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเราจะพบว่าข้อต่อไปท่านบอกว่าบุคคลผู้สงบเว้นจากการทำความชั่วถามว่าสงบจากอะไร ที่จริงคือใจมันไม่ถูกกระแทกกระทันรุนแรงจากกิเลสอะไรก็ได้ราคาก็ได้โลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้ริษยาก็ได้แข็งดีก็ได้เบียดเบียนก็ได้หึงหวงก็ได้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเป็นวิถีชีวิตธรรมดามากแล้วก็สื่อสารต่างๆจะชอบสะท้อนอารมณ์หล่นี้ อาการของกิเลสเหล่านี้การทิศยาการอะไรการการเบียดเบียนกันมันไม่น่าเชื่อคือเรื่องเป็นนันมากที่วันก่อนก็มีอะไรแล้วมีข่าวเราแต่งตั้งมาเดียสมาคมมีชาวบ้านมาพูดแล้ว่าบ่นในทํานองนั้นทำนองนี้บอกว่า มันก็เป็นเรื่องของเขาอะนะเราจะตั้งใครหรือไม่ตั้งใครอต่จะให้เป็นที่พอใจเราไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าก็เราตั้งตามพอใจเราคนอื่นก็อาจจะไม่พอใจก็ได้ส่วนก็เป็นเรื่องของเขาใครทำการมาใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องรับเป็นผู้รับผลของการนั้น เราการตั้งคนระดับบริระดับนำขององคอ์กรเนี่ยคือมหาธิรสมาคมนี่ที่จริงมาเป็นนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการคืออำนาจเดบไปอยู่ที่มหาธิรสมาคมนิติบัญญัติท่านออกกฎมหาเิรสมาคมออกมติมหาธิรสมาคมออกคําสั่งมหาธิรสมาคมก็กลายเป็นนิติบัญญัติได้ และบริหารก็สั่งการให้มีการปฏิบัติการอย่างนั้นอย่างนั้ น, อ ย, น, นอย่างนั้นก็ว่ากันไปก็เป็นบริหารและเวลามีกรณีที่เกี่ยวกับล่วงละเมิดประธรรมบิดไหนหรือผิดกฎหมายบฎเนกรรมก็กำหนดให้มหาธิรามาคมมีอำนาจสูงสุดหรือกรสานดีกาแต่ในขณะเดียวกันด้วยสถานะของท่านเนี่ย ดุศานาของท่านคือบางอย่างเนี่บางบางไม่ใช่บางอย่างแหละทุกเกือบจะทุกรูปอะอย่างน้อยก็เป็นผู้ช่วยเจ้าบ้าน <S <s ก็เป็นพระวินัยถรชั้นตนบางค์ก็มีตําแหน่งเป็นหลายๆรจับคณภาพก็มีเจ้าคณะจังหวัดก็มีเจ้าคณะขุนก็มีตรงนั้นท่านก็เป็นวินัยถรชั้นอุอนนทรคณะผู้ปี น, นาชั้น ชันอุทธร์พอมานั่งในเก้าอี้มาเสิรมคมก็เป็นสารดีกาซึ่งหมายความว่าคนอยู่ตรงนี้ต้องเก่งต้องมีความรอบรู้เฉพาะทางในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ความประพฤติของตัวเองไม่มีปัญหาหรือไม่อยู่ในฐานะที่ว่าแต่เขาวินาเป็นเองเออซึ่ง อาเขาจิงเป็นภารกิจที่ยากต่อการปฏิบัติแล้วต้องทุนเทเสียสละกติการที่ท่านเลือกเช่นนั้นก็แสดงว่าท่านมองเห็นคนเหล่านั้นว่ามีความสามารถก็มุติตาได้ก็มุติตาไปมีตาไม่ได้ก็เฉยเฉยเฉยคือไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรครับการที่เราไปเดือดร้อนเนี่ยเพราะว่าเราไปควาคว้ามา เป็นเรื่องเป็นราวแล้วกเกิดวิพากษวิจาร์เกิดนินทาก็ไม่ได้เกิดประโยชนะ์อะไรขึ้นมาแต่ความลองนึกดูนะฮะหลักของพุทธมิหารหลักของพรทธ ม, มิหา ร, ห ร, มม ห, ารหรือว่าหลักของศี่ห้าก็เถอะหลักของศี่หน้านั้นข้อตอนปลายของปาณาติบาศก็คือเมตตา ตอนปลายของอาทินาทานก็คือสมาชิพตอนปลายของกามีสุาจารก็คือสามีพัญญามีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ตอนปลายของมุสาวาตก็คือสัจวาจาตอนปลายของข้อสุราก็คือสติ มันก็ขับเคลื่อนจิตใจพฤติกรรมของมนุษย์เข้าไปอยู่กับธรรมะกับชีวิตตั้งหลงยเรามีเมตตาในการครองชีวิตของเรานั้นทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาก็ได้มาในทางที่สุดจริญครอบครัวสร้างเป็นสวรรค์บิมารไม่มีใครนอกใจใครมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกัน กับบุคคลอื่นนอกจากตัวเราเนี่ยแล้วก็ตัวเราด้วยดำรงอยู่ในความสัตว์ตัวเราต้องมีความสัตว์เป็นที่ดำรงเสียก่อนแล้วจึงแสดงสัจจะต่อบุคคลอื่นต่อทุกเรื่องะะต่อทุกเรื่องต้องมีสติทั้งเกี่ยวกับคนทั้งเกี่ยวกับสัตว์ทั้งเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวกับการงานอย่างเงี้ยก็ต้องมีสติ ปุสี่ข้อห้าข้อถ้าเราพยายามปรับตัวเองพัฒนาตัวเองไปอยู่ที่ห้าข้อเหล่านั้นได้ทั้งคงก็สันติแหละเพราะว่ามันจะไปพวกขจัดในสิ่งที่พรหมิหารก็าขจัดคก็ขจัดความมาคาดพยายามบานออกไปขจัดการมาลาคะที่รุนแรงออกไป ขจัดความเบียดเบียนออกไปขจัดความนิสยาออกไปขจัดอคติออกไปโดยอาศัยศี่ห้าเนี่ยสี่ห้าที่เป็นกัลยาณธรรมห้าคือคนเราถ้าเราเมตากันแล้วเนี่ยมันมันไม่มีที่จะไปๆๆเบียดเบียนกันหรอกจากเมตตาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะมุติตาจากเมตตาเนี่ยเราจะไม่มีอคติ นี่ก็แสดงว่าธรรมะเขาเป็นกระบวนการของเขาเวลาเขาไปนี่นกุศล ก, ก็ไปทั้งแผงของกุศลนั่นแหละเ้ายื่นไปด้วยกันอังกุศลก็ไปทั้งแผงก็ว่ากุศลจากมาัธยีคนก็นั่งคุยกันผัดแจ้งกันก็อาจจะถึงชกต่อยกันอาจจะถึงยิงกันนั้นโดยห็นว่าถ้ายิงมันเริ่มไปถดถอย เดีวมันก็ลาาหายไปถึงไหนก็ไม่รู้กลายเป็นหัดจักรกรรมขึ้นดังนั้นการครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทที่พระเทระเน้นหลายเน้นไว้หลายข้อนะฮะมันก็เป็นอมตะธรรมแหละคือหมายความว่าต้องมีอยู่ตลอดไปทั้งฟังทั้งหลาย